สิ่งที่คนเราต้องการปรารถนาอย่างแท้จริงก็คือความสุขไม่ใช่อย่างอื่นใดเหตุที่ต้องการความสุขเพราะอะไรล่กะก็เพราะมันมีความทุกข์นี่แหละเป็นคู่ปรับถ้าไม่มีความทุกข์เป็นคู่ปรับแล้วใครก็ไม่ปรารถนาความสุขเลย ขอให้เข้าใจดังนั้นพระพุ ท, ทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้คนรู้จักหนทางออกจากทุกข์คนทั่วๆไปผู้ไม่มีบุญบรารมีเต็มเปี่ยมอย่างนั้นเนะ่ไม่สามารถจะรู้ทางออกจากทุกข์ได้ แม้แต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างนี้ยังรู้กันไม่ได้แต่ครั้งพุทธเจ้าน่ะมนุษย์สมัยนั้นแสวงหาสิ่งเป็นมงคลอยู่ทังสิงนสิบสองปีแล้วเมื่อมาชุมนุมกันแล้ว่างคนก็เสนอออกมาไม่ตรงกันเลยบางคนก็บวตาแล้วเป็นมงคลบางคนก็หูแล้วเป็นมงคล บางคนก็วอาจะหมูกรีนกายเป็นมงคลความเห็นไม่ตรงกันสักหน่อยเดียวเมื่อความเห็นไม่ตรงกันอย่างนั้นกรรมการกร็ตัดสินไม่ลงไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นมงคลที่แน่นอนจึงมีเทวดาผู้มีฤทธิ์มาประกาศบอกว่า พระพระมศ า, ศาสดาทรงรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นมงคลพวกท่านทั้งหลายอย่ามาถกเถียงกันในลําบากจงพากันไปเฝ้าทูลถามสิ่งที่เป็นมงคลต่อพระาศาสดาเมื่อพระองค์แสดงอย่างไรแล้วก็ให้ถือเอาปฏิบัติตามอย่างนั้นมนุษย์เหล่า น, นั้นจึงได้ชวนกันไปเฝ้าพระาศาสดาขอสิ่งที่เป็นมงคล พระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงมงคลสามสิบแปดประการมีการไม่คบคนผานเป็นต้นทั้งที่รู้รู้กันอยู่ในมงคลสูตรมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ยุติถกเถียงกันจึงได้มาปฏิบัติตามมงคลสูตรนี้จึงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญสิ่งนี้เป็นมงคลอันสูง จริงๆก็ได้แก่การประพฤติพรหมจรรย์ ท, ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงไว้ในท้ายมงคลสูตรนั่นเองความเป็นผู้ประพฤตตปะธทรรมแผดเผากิเลสไห่เหือดแท่งไปนี่เป็นมงคลอันสูงเพราะว่าทมกิเลสไห่เหืออแท่งไปนั่นเอย ตัโอจพรมจริยันจอริยสัจจานะดัศนังนี่นะนั่น น, นี่นั่นการบรพฤติตปะคือการฝึกตนทรมานตนไม่ยอมให้จิตใจมันหลงสร้างกิเลสอันหยาบธาลามกให้เกิดขึ้นในใจนี่ห้บุคคลจะฝึกทรมาน ตนละกิเลสอัญามนี้ได้ต้องประพฤติพรหมจรรย์คงแสดงไว้ในมงคลข้อนี้นะ น, นันแหลเพราะว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้ย่อมมีโอกาสที่จะได้ทำความเพียรเต็มที่เพราะเป็นผู้เสียสละกิจบ้านการเรือนมาแล้วความปราทถนาความต้องการก็น้อยลงอันการเป็นนักบวดนี่นะ นะเนี่ยความปรารถนาความนั้นไม่มากเหมือนผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนจำเป็นต้องปรารถนารับสมบัติเข้าของเงินทองเพื่อเลี้ยงตัวและครอบครัวให้เป็นอยู่นี่สาหรับผู้เป็นนักบวชแล้วไม่ว่า ก, กับใดกันใดยุคใด ผู้เมื่อนายในการครองเรือนแล้วก็สละบ้านเรือนออกบวชไปออกบวชแล้วก็เที่ยวพิกขาจานบินธบาตจะเป็นลือศีชีภัยเป็นนักบวชประเภทใดก็ทำก็เที่ยวพิขาจานบินธบาต เ, เ, เ, เ, เรื่องชีพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านที่บวชนอกกุฏิศาสนาเพิ่งเกาะเจริญ ฌานสมาบัติให้เกิดมีขึ้นเนี่ยทำฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีให้เกิดขึ้นได้ท่านผู้บำเพ็ญฌานสมาบัติอันเป็นส่วนโลกีให้เกิดมาแต่เป็นพื้นีอันนี้เป็นปัจจัยอันสําคัญเมื่อได้มาพุทธศาสนาได้ออกบวช จะเริญนธรรมะอิปัฒนาไปเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตอรหันต์ท่านมีฤทธิ์มีเดชมากท่านเหล่านี้นะมีความรู้ความฉลาดก่งขวางในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อันนี้แหละความประพฤติพรมจรรย์นี่นะพระองค์เจ้าถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเลยนะเนี่ย ทีนี้พระพุทธองค์แสดงเรื่องพรหมจรรย์ไว้นี่ไม่ใช่มีแต่การออกกวดการรักษาศินห้าก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันรักษาสินอุโบสถก็พรหมจรรย์รักษาสินแปดเป็นนิดก็พรหมจรรย์รักษาสินสิบสินสองรอยิบเจ็ดก็พรหมจรรย์แต่มันคนละชั้นกันอ่ามันเป็นอย่างนั้นอ้ารักษาสินหน้าทําไมยึงเรียกว่าพรหมจรรย์ เอารักษาสินห้าเนี่ยเป็นผู้ไม่ทําบาปมีเมตตากรุณาต่อสรพพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนรู้จักจให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่นะก็เป็นพรหมจรรย์ขั้นต้นเลยที่จะเป็นบันไดเข้าไปสู่พรหมจรรย์ขั้นสูงขึ้นไปเป็นเนดเมื่อรักษาสินแปดหรือสินโอโบโสถเข้าไปแล้วก็พ พรอมจารย์ก็สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอเว้นจากกา ร, รมคุณทุกอย่างเลยสินโอโวสหรือศินแปดอย่างนี้นะแล้วถ้าบวชเป็นเนาก็พฤดพรอมจารย์สูงกว่าผู้บวชทีบวชขาวเพราะเป็นเนนนี้ย่อมเว้นจากการให้จ่ายเงินทองเอาของโดยตนเอง แต่ผู้รักษาสินแปดนี่ก็ยังหย่อนยานอยู่ในเรื่องการใช้จ่ายเงินทองก็ยังได้อ่านี่มันมันเป็นอย่างนี้ธรรมอาจารย์นเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้วันนี้สําหรับผู้เป็นภิกษุอ่าประพฤติพรรมจานทร์บวชเป็นพระเช่นนี้นี่การประพฤติปฏิบัติก็ย่อมละเอียดเข้าไปกุ้วะสามเณรอีก ผู้รักษาสินสิทย่องสำรวมตนตามพระวินัยที่พระเจ้าบัญญาร้ำถึงสองร้อยยี่เจ็ดข้อหรือหรือมากกว่านั้นอีกไปอีกเรียกว่าอ่าสิขาบทที่มานอกคระปาติโมกแอ่งนี้แสดงว่าพระพระภิกษุนี่นะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์สูงกว่า สามเนนสูงกว่าอววาสกวัสิกาทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะเพราะว่าทิกษุนี่ย่อมเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกดังนั้นพระสงฆ์นี่จึงต้องประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยตั้งอยู่ในความอดความทนต่อคำด่าว่าเสียสี ความกระทบกระทั่งจากภายนอกต่างๆไม่แสดงความโมโหโทโสความโกรธอ่าต่างๆนานาให้ปรากฏออกมาแก่ชุมชนเช่นนั้นนะมันจึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสของประชาชนดังนั้นท่านยิงว่าพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดอมโมเพศ เป็นเพศอันอุดมดังนั้นความความระพฤตทางกายวาจามันก็จึงต้องละเอียดละออ ก, กว่าคารวะผู้คลองเลือนดังนั้นเราผู้เป็นนักปวดนะขอให้สำนึกถึงตัวของเราทคคุกคนเรามีบุญวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าสงควร ถึงค่อยมายินดีประพฤติตามพระธรรมวินัยที่ผู้เจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นี่ได้ถ้าบุญบา ร, รมีไม่แก่กล้าสมควรแล้วก็ย่อมยอดห่อเลยปฏิบัติตามไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อห้ามมันมากมายจริงๆนะนี่แหละดังนั้นเมื่อเรนลึกถึงตัวได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะ คอย ห, หลังเข้าครองตนมีบุญส่งตนมาได้เป็นนักปวดถึงปานี้แล้วได้พ้นจากพงหนามได้พ้นจากความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรของบุคคลผู้ครองเลือนมาแล้วนี่นะดังนั้นจึงไม่สมควรหวนกลับไปหาความวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนั้นอีกอ่าพระพุทธองค์ทรงอุปมา ไว้เหมือนอย่างบุรุษคนหนึ่งเดินไปเดินไปแล้วไปตกกลุมซ่วมเต็มไปได้วยอุจจระเขาก็รีนลนกระเสือกกระสนออกจากหลุมนั้นเมื่อมีบุรุษคนหนึ่งเห็นเข้าเอนดูสงสารก็มาฉุดขึ้นจากกลุม่มอุจจระนั้นแล้วก็พาไป ล้างชาระตัวให้สะอาดกดจดทาไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอะไรปรากฏเลยแล้วก็มอบอาคารสถานที่โอถงประกอบไปด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกอย่างเลยเช่นนี้แล้วอยากจะถามว่าบุรุษคนนั้นยังจะนึกถึงหลุมอุจระ ยังกะพอใจกลับไปนอนตกอยู่ในหลุมอุจจระหรือไม่อ่านี่ก็ต้องตอบว่าไม่แล้วไม่ปรารถนาแล้วเพราะว่าการตกอยู่ในหลุมอุจจระนั่นมันทุกข์มันยากมีกลิ่นก็เหม็นอ่าลาบากลําบนเหลือเกินนี่อุมานี่ฉั้นใดก็อย่างนั้นแหละ บุคคลผู้ตกอยู่ในหลุมแห่งความพรกักความชังความหลงความเมาชื่อว่าตกอยู่ในหลุมแห่งความทุกข์เหมือนบุคคลตกอยู่ในหลุมอุจจาระนั้นแหละทีนี้เมื่อเห็นทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นแล้วก็มองเห็นว่าวดัดปาศาสานานี่แหละเป็นสถานที่บรรเทาทุกข์เหล่านั้นเรียกว่า นำกายนำจิตที่ให้ห่างจากความวุ่นวายเหล่านั้นมามาบวชอยู่ในวัดวะอารามนี้อยู่ในเสนาสนะป่าสงบสงัดห้าเพียรทาความเพียรไปทำให้จิตใจสงบลงไปจเจริญปัญญาฟังธรรมไปก็ละกิเลสให้เบาบางไป ก็ได้รับความสุขความสงบความเย็นใจเมื่อผู้บวชเข้ามาได้รับความสุขความสงบเย็นใจอย่างนั้นแล้วยังยังจะหวนอยากกลับไปครองเรือนอันเป็นเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนต่งางๆนั้นอีกหรื อ, อก็ต้องตอบว่าผู้ที่ภาวนาเป็นจริงๆไม่แล้วมันจะไม่หวนกลับไปหามันอีกแล้ว เพราะว่ามองเห็นอนุทา ง, งความสุขความสงบด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเช่นนี้นะมันจะหวนไปทำไมผู้ที่หวนไปหาสถานที่วุ่นวายเดือดร้อนดังกล่าวมาแล้วนั้นนะแสดงว่าเมื่อบวชเรียนอยู่ก็ไม่มีความสงบเลยจิตใจนั้นนะถูกกิเลสรบกวนแล้วก็ เกิดความประมาทเมื่อกิเลสรบกวนจิตใจก็ไม่ตั้งความเพียรความอดสู้กับกิเลสปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเสียจิตใ จ, จอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะพุทประพติธรรมจันทร์ต่อไปอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้นี่มันก็อยู่ในพรหมจันทร์ไม่ได้แล้ว เมื่อสงใจไปหาการครองเลีอยนนึกไปถึงเรื่องทําการทํางานมีรายได้อแล้วก็ซื้อน้นซื้อนี่แล้วก็ไปเที่ยวหอระศพครบพันต่างๆอ่าเห็นว่ามีความสุขแล้ววันนี้นะเอเมื่อเห็นมองเห็นโลกนี่เป็นสถานที่มีความสุขแล้วมันก็จะไปประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ยังไงเล่านันนี้ มันก็ถอนตัวออกไปเท่านั้นเองคนเราไม่มีอะไรอะ่ะ ม, มันเนี่เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาบา ร, รมีของบุคคลแหละอันนั้นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยถึงแม้จะชี้แจงเหตุผลให้ฟังแจ่มกระจ่างสักเท่าไหร่จิตใจมันก็ไม่สู้อ่า มันไม่ยอมพิจารณาซ้ำเป็นไรอะ่ะก็มีแต่สู้ไม่ได้ถ้าเดียวยอมแพ้ไอคนบุญน้อยเป็นอย่างนั้นสิเรื่องมันนะแม้จะพ้นจากพงนามมาได้มาบวชแล้วก็ตามแต่เมื่อประมาทไม่ทำความเพียรไม่ทรมานตอนไทยกิเลสมันกิเลสจำหยาบมัน่นะมันอ่อมกำลังลงอย่างนี้นะ มันก็ไม่ไหวอะ่ะ น, นั่นะมันก็เดือดร้อนแหละดังนั้นผู้ที่หวังความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแก่ตนแล้วเมื่อบุญส่งให้ตอนได้มาบวชเรียนเขียนอ่านอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปให้เข้มแข็งเข้าไม่ปล่อยจิตให้ เพิดเพลินยินดีไปในกามคุณเมื่อควบคุมจิตอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ได้โอกาสนะอมันก็ไม่เลื่อนลอยไปเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสะพานมันมีอยู่เต็มโลกนี่ไม่ใช่มันไม่มีอยู่ที่ไั่นก็มีทางนั้นเลยอย่างนี้ถ้าห้ามจิตได้ ฝึ ก, กจิตได้ให้ตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นก็ทำอะไรดวงจิตไม่ได้เลยตาเห็นลูกก็สั ก, กว่าแต่เห็นหูได้ยินเสียงต่างก็สั ก, กว่าแต่ได้ยินจมูกได้สูตรกลิ่นหอมเหม็นอะไรก็สักแต่ว่าได้สูตรกลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อย ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าในหมายความว่าไม่มีความยินดียินร้ายอะไรในทางจิตใจเป็นแต่สักแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเองอืมกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ดีแต่ความรู้สึกทางจิตใจก็เห็นสักแต่ว่าก็ธรรมชาติเหล่านี้มันมันสัมผัสกันอยู่นี่ร้อนมา เดี๋ยวก็ร้อนหายไปแล้วก็หนาวมาเดี๋ยวก็หนาวหายไปมันเป็นอยู่ในตามธรรมดาของมันนะเมื่อฝึกกิตได้ดีแล้วจิตก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับสัมผัสเหล่านี้เลยเนี่ยเพราะนั้นจึงได้จึงได้รู้สึกขึ้นในใจว่าสักแต่ว่าอย่างนี้นะเมื่อจิตใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ้ใจที่ฝึกดีใจที่ฝึกให้ตั้งมั่นมีปัญญาแล้วมันก็ย่อมรู้ขึ้นว่าธรรมารมเหล่านี้ก็สักแต่ว่านะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาอะไรเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้นะอารมณ์ของจิตนี่นะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยแต่ว่าเมื่อจิตนี่หลงแล้วมันนั่นเลยสําคัญผิดต้อง มีตัวมีตนจริงจังเลยคําว่าสวยงามก็เข้าใจว่าสวยจริงจรอย่างนี้นะอันนี้คําว่าขี้ร้ายคำว่าขี้ร้ายจริงๆงไปตามสมมติของโลกอืหรือว่าจิตมันยังแช่อยู่ในอารมณ์ของโลกเหตุต่างนั้นเมื่ออารมณ์นั้นกระทบมาอย่างไรแล้วก็ไหวไปตามอย่างนั้นเลยฮะ มนุษย์ส่วนมากมันจึงลอยไปตามกระแสของโรคดังกล่าวมานี่นะใครว่าดีก็ดีไปตามใครว่าร้ายก็โกรธก็ไม่พอใจก็่ซ่องสมกันขึ้นโหกพยาบาทจองเวนกันขึ้นอ่านี่จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยดีนะมันย่อมไหลไปตามกระแสของโรค คนโลกนี้มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งไม่ดีไม่ชั่ว อ, อย่างนี้นะผู้ฝึกตนแล้วก็ฝึกกิตที่ให้มันเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ด้วยดีลนะ่ะมีปัญญาประกอบด้วยแบบนี้เมื่อเห็นอะไรก็สักว่าใจเห็นให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นไปจนตลอดถึงความรู้สึกในอารมณ์ทาง จ, จิตใจ ก็ให้รู้สึกว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันดีแล้วก็ไม่ยึดถือเอาชั่วก็ไม่ยึดถือหมายเขาว่าดีทางโลกนะที่เขาสมมติว่าดีว่าสวยว่า ง, งามเราก็ไม่ยึดถือเอาที่โลกเขาว่าขี้ร้ายน่าเกลียดน่าชังเราก็ไม่เกลียดไม่ชังเพราะว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันทั้งมีคู่กันอยู่กับโลกนี้ เกิดแล้วก็แปรปโพลแตกดับไปอยู่อย่างนี้แล้วจะไปยึดถือเอาไว้ให้มันเป็ น, ปนทุกข์ทําไมแล้วปัญญามีมันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้แหละอนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปนะสําหรับคนอยู่ในขั้นต่ําเราไม่ว่ากันอันนี้เราตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปเราต้องพยายาม เก้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ผู้ปฏิที่ผู้ปฏิเพื่อทำผู้ปฏิพรมจันทร์ก็อย่าไปย่ํำซกอยู่กับกระแสของโลกอาศัยโลกอยู่แต่ไม่ติดอยู่ในโลกเหมือนอย่างดอกบัวหรือใบบัวแช่อยู่กับน้ําแต่น้ําไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่ใบบัวและดอกบัวได้ฉั้นใด มุนีผู้รู้แจ้งทั้งหลายกิเลสอารมณ์อันต่างๆดังกล่าวมานี่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านได้ก็ฉันนั้นแหละแต่เมื่อรวมความลงแล้วเรียกว่าการที่จิตใจมันจะเป็นเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้นะ มันก็ต้องประพฤตปรทมดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเรียกว่าทำความเพียรอย่างเข้มแข็งเลยนอนก็พอประมาณทันก็พอประมาณอย่างนี้การพูดจาอะไรก็พอประมาณไม่เกินขอบเขตนี่แม่ตัณหามันจะอยากให้เพื่อะทียนทำไม่มากกว่านั้นพูดให้มากกว่านั้น คบฉันให้มากกว่านั้นก็ไม่เอาไม่เอาสะกดจิตไว้ห้ามจิตไว้บังคับจิตตัวเองไว้นี่ความว่าประพฤติปะทารรนะเรียกว่าไม่อ่อนแอกับอำนาจของกิเลสเลยตายเป็นตายอย่างนี้นะฮะเอาให้มันตายลองรู้เราสู้กับกิเลสอย่างนี้แหละ เราจะอดกัน้นทนทานเราจะไม่ไว้ไปตามอํานาของกิเลสอย่างนี้นะอ่าตายก็ตายอ่ะนั่งกันอยู่นี่แหละถ้าหากว่าจิตนี่ยังปอบวัิไปตามอํานาจของกิเลสอยู่เราจะไม่ลุกจากสมาธินี้เอาตายกับนี่แหละอย่างนี้นะอะ่นี่แหละคําว่ า, าประพพตปาธรรมนะมีได้หมายว่าอดข้าวไม่ รับประทานอาหารสามวันเจ็ดวันอดโอนไม่นอนเร้ออย่างนี้จึงถือว่าประพฤติปฏตธรรมไม่ใช่นะไม่ใช่เท่านั้นหรอกอถ้าผู้อดข้าวไม่ทานข้าวอย่างนี้แต่จิตใจยังผูกพันอยู่กับกิเลสต่างๆอยู่ ยังคำรวมจิตไม่ได้ห้ามจิตไม่ได้อย่างนี้การทรมานตนแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกประกอบตนให้เหนื่อยเปล่าไม่มีผลอะไรเลยฮะโชที่ว่าเราบริโภคพอประมาณพออยู่ได้วันหนึ่งคือหนึ่ง เท่านี้เราตั้งใจทําความเพียรทางจิตใจเข้าไปสะกดจิตให้มันอ่อนแอไปตามหน้าของกิเลสนี่นี่สู้อย่างนี้ไม่ได้เลยอขอให้เข้าใจแต่ถ้าจะไปบริโภคอาหารมากๆเหมือนอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอไม่ได้อยนั้นจะไปนอนให้มา ก, มากๆนี่ก็ไม่ดีนั่นเนี่ยเรียว่าให้เราเดินสายกลางอ่ะ ประทานอาหารก็พอดีพอดีการหลับการนอนก็พอดีพอได้พักผ่อนร่างกายพอสมควรสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วคืนหนึ่งคืนหนึ่งนอกจากนั้นก็เอาไว้เวลาทำความเพียรเรื่อยไปอันนี้แป้ ว, ว่าเราประพฤติดำเนินตามสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ค อ, อ้เข้าใจกัน ทำว่าจะปฏิธรรมนะเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงทํามาแล้วในอัตตะกิริถาโลโยกอดอาหารไม่ขบไม่ฉันหรือว่าฉันแต่น้อยลงน้อยลงเลงยลงจนเหลือเท่ า, มาเมล็ดงานี่สุดท้ายนะวันสุดท้ายเหลือเท่ า, มาเมล็ดงาก็ไม่ได้ตัดสรู้ อย่างนี้นะเอาอย่างนี้อดทําเฉลยไม่ฉันมันเฉลยฮะนี่ก็ไม่ได้ตัดสูุแต่เทวดาได้พิจารณาเห็นว่าโอ้ถ้าว่าไม่ลงไปช่วยนี่พระองค์นี่จะสิ้นพระชนไปเสียก่อนจะไม่ได้ตัดสู่เปนพระพุทธเจ้านะว่างั้นนะพระองค์จึงได้เอาอาหารอันเป็นทิพย์นั้นมาแทกเข้าในขุมขนนี่ ไปหลเลีเ้ยงร่างกายของพระ อ, องค์ไว้จึงค่อยมีชีวิตยอยู่ได้นี่ว่าตามตำรานี้นะแต่อย่างนั้นแล้วสุดท้ายมันก็คงจะเป็นบารมีธรรมของพระ อ, องค์นั่นแหละมาแสดงนิมิตให้พระ อ, องค์ได้ยินเสียงพินดังขึ้น เสียงที่แรกเคร่งเกินไปอดีทีเดียวขาดเลยเอาเสียงที่สองนยานเกินไปะเสียงดังไม่ไพเราะเลยเสียงที่สามนี่เสียงดังไพเราะพอพิงไม่เคร่งเกินไปไม่ยานเกินไปพระ อ, องค์เมาพิจารณานิมิตละนี้โอการที่เราทําความเพียรทุกขลักกิริยามานี่อุปมาเมืองสะสายพินสายแรกแล้วมันเคร่งเกินไปดีเข้าไปก็เลยขาดเลย นี่ถ้าเราไม่ถอยทุกขละกิริยานี่เชื่อแน่ว่าจะต้องตายแน่นอนเยงเี้ฮะทางที่จะสำเร็จสัมมาสัมโพริยานได้นี่มันต้องเป็นทางสายกลางเหมือนยังพินสายที่สามไม่เคร้งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปพระองค์รู้อย่างนี้แล้วจึงเดกละการบำเพ็ญทุกขละกิริยานั้นฮะ บินทาบาดมาพยายามฉันทีละน้อยละน้อยไปเพื่อบำรุงธาตุไฟให้มันแรงขึ้นโดยลำดับให้มันย่อยได้สะดวกถ้าไปฉันมากๆเข้าทีเดียวฟาดธาดไฟมันอ่อนอยู่แล้วมันก็ย่อยไม่ได้มันกระท้องอืดท้องเพ้อเข้าก็เป็นอันตรายต่อชีวิต <c oughs> เมื่อพระ อ, องค์ฉันพัฒตาหารไป บำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วก็พอดีเดือนหกเพนพระจันทร์เต็มดวงจะเป็นปีอะไรจำไม่แน่จะคงจะเป็นปีปีจอหรืออะไรเนี่ยเป็นปีที่พงค์ตรัสรูนะ้นั่นน่ะงัมนเนก็พระ อ, องค์จึงได้ทำความเพียรในคืนวันนั้นนะ่ะ เพราะมีกำลังกายแข็งแรงได้ฉันเข้ามัรทุกยากของนางสุชาดาสี่สิบเก้าก้อนแล้วมันก็เรียกว่ามีกำลังเต็มที่เลยดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงนั่งสมาธิอยู่ได้ตลอดคืนเลย <c oughs> หากว่าอดเข้าอย่างว่านั้นแล้วมันไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับมารเลยกำลังกายกำลังใจในข้าอ่อนแอลงแล้ว เป็นอย่างนั้นนี่ดังนั้นนะให้พากันเข้าแต่ว่าไม่ประกอบความเพียรอ้างว่าตนหิวโหวย อ, อ่อนแพรอ่อนเพรียอาหารน้อยอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่นอนเสียมากกวามากเลยมันก็เป็นบอกเกิดแห่งกิเลสได้เหมือนกันนะเป็ น, ง, น, นงั้นแม้อาหารจะไม่มากก็ตามนะ ถ้าไม่ทำความเพียรเนนะ่ยไม่สะกดจิตตัวเองนะไม่ค่มจิตไม่มีอุบายสอนจิตให้ละความยึดความถือแห่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตนะเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ผลเราที่ควรเนี่ยแต่นะั้นจะพนะนะนะาะเข้าใจไว้เมื่อเรา เป็นนักบวดนี่นะอยู่ชนิดอยู่อรัญวาสีนี่เราฉันมือเดียว น, นี่มันก็พอดีพอดีเลยฮไปธาตุกดย่อยอาหารไปพอดีอาหารก็ไม่ทับธาตุก็ไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องบำเพ็ญตบะธรรมสะกดจิตข่มจิตให้ละกิเลสไปเรื่อยๆไป แม้ปัญญาจะมองเห็นกิเลสทัณหาเหล่านั้นแล้วแต่กิเลสทัณหายังมีกําลังข้าอยู่นี่นะเพียงนําพังให้มองเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นมันก็ยังไม่เบื่อไม่หน่ายอย่างละมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความอดเข้าช่วยนะอดไม่สร้างกิเลสเหนั้นขึ้นมาในใจเช่นนี้หละมันจึงค่อยได้นะกิเลสนั้นมันจึงอ่อนกําลังลงให้เข้าใจ ดังนั้นผู้ที่มีตะปรทมความเพียนแก่กล้าทำกิเลสให้อ่อนลองอด้วยการปรพเพิสคอมรจันอย่างว่านี่แหล ะ, ะแล้วการเจริญสมาธิมันก็บางเกิดขึ้นได้เพราะกิเลสมันอ่อนลงแล้วก็มีกำลังกำจัดที่วนห้านั้นได้จิตใจสงบประ ง, งับลงไป ด้วยดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นอย่างไรก็สามารถที่จะพิจารณาอริยสัจจะทำทั้งสี่ได้อันเนี้ยสามารถที่จะกำหนดรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ได้แม้ว่ายังไม่ได้บรรลุก็ตาม ก็อันที่ในมงคลสูตรข้อนี้นะอืมก็ทงตรัสว่าการรู้รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นี่เป็นมงคลอันสูงนี่นะก็หมายความว่ารู้เท่าทุกนี่ความเกิดมาแล้วมาเก่มาเจ็บมาตายนี่มันเป็นทุกมันเป็นทุกประจํากายนี่นะถ้า บุญกรรมยังหลอ่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่ตราบใดทุกเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นหลีเกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่ า, เ, าเมื่อมันแก่ชรามา้วกบภาวนาสอนจิตนี่เข้าไปนี่แหละความชราในร่างกายสำรุดซุดซอมลงอย่างนี้แหละรู้ไหมอย่างนี้นะ อนี่เราจึงเรียกว่ารูปังอนัตตารูปนี่บังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้ล่ะมันจะไม่แก่ทําไมล่ะมันจะตสุดโทมทําไมอ่ะนี่ก็ใช่อุบายสอนเข้าไปอแม้มันจะเป็นทุกข์กับความแก่ความชำรุดสุดโทมของร่างกายนี่มันก็มีความรู้สึกเฉยๆรู้สึกประทุกกายแต่จิตใจนั้นไม่ทุกข์ จิตใจไม่โศกไม่เศร้าไม่วันไวความรู้สึกทุกนันมีอยู่แต่ปิดไม่วันไหวให้เข้าใจอย่างนี้เราจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกนะไม่ใช่ว่ารู้เท่าทุกนี่ทุกจะดับไปเลยไม่รู้ทุกไม่รู้จักทุกอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะทุกมันดับไปมีแต่ท่านผูกเข้าในโลดสมาบัติเท่านั้นแหละ เมื่อท่านเข้าในโรดสมาบัติแล้วไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เลยอันนั้นนะ่ะเพราะว่าจิตได้สวยนิพพานดิบอยู่แล้วจิตเข้าสู่นิพพานดิบคือยังไม่ตายไหมเขาว่าอย่างนั้นแหละดังนั้นจึงไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์แต่ใ้เมื่อจิตออกจากในโรดสมาบัตินั้นมาแล้วก็ต้องมาสัมผัสกับความทุกข์ มันเกิดจากความแก่ความเจ็บป่วยไข้อะไรทต่ออะไรต่างๆวันนี้แต่ท่านผู้รู้จริงรู้เท่าแล้วท่านอดทนนะอดกั้นทนทานไม่วันไหวไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวกลัวทําไมก็รูป ก, กายนี่ไม่ใช่ของเรามันจะแตกกระดับนะแล้วจะไปกลัวอะไรมันเมื่อจิตปล่อยวางลงแล้ววะก็ไม่กลัวแล้วอ่า ถ้าจิตยังไม่ปล่อยวางมันก็กลัวแนละกลัวตายอะมันเป็นงั้นดังนั้นเนี่ยก็เพิ่งรู้ไว้ว่าทุกขังอริยสัจจงความทุกข์นี่มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งแต่ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าไม่ใช่ละละไม่ได้ในเมื่อขันธ์หน้านี่ยยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น อย่างนี้นะต่อเมื่อละอุปาทานและกิเลสหมดแล้วฐานหน้าแตกลับลงไปเมื่อใดนะั้นทุ ก, ก็หมดไปจิตก็เข้าสู่นิพพานแล้วก็หมดทุกข์กันเท่านั้นเองอเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสะอุปาทิเสสะนิพพานอ่าแปลว่ากิเลสนิพพานกิเลสมันดับ แต่ขันห้ายังมีอยู่นี่นะอนุปาทิเสสะนิพพานแปลว่าดับทั้งกิเลสดับทั้งขันห้าอันนี้นะขันห้าก็ดับไปแล้วเลยกิเลส ก, ก็ดับดังนั้นให้เข้าใจไว้เมื่อรู้ทุกข์แล้วก็สาวหาเหตุแห่งทุกข์ ก็ได้แก่ตัณหาอย่างที่เคยอธิบายฟัง ม, มาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่แล้วตัณหาเมื่อมันอยากได้อะไรเนะี่ยมันมันไม่ได้สมมมันก็ยึดไว้อยู่แั้วนะ ย, ยึดอารมณ์ความอยากนั้นไว้โอ้เมื่ อ, อไรเนาะเราจึงจะได้สิ่งที่เราต้องการมาครอบคร อ, ง, องนี่นะแต่ยึดถือไว้ยึดถือความอยากนั้นไว้อยู่นั้นเนีะ แล้วก็เป็นเหตุให้ทำเมื่ออยากอย่างนี้นะก็เป็นเหตุให้ทำบุญกุศลทำความดีเข้าไปก็ปารธนาให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ตนต้องการเมื่อปารธนาอยู่นั้นแล้วให้ใจลงบุญกุศลก็นำไปเกิดอีอ้แล้วก็ไปตกแต่งในรูปเสียงที่ตนต้องการปารนาให้ได้เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ เพลิดเพลินดีอกดีใจไม่เห็นโทษของมันเลยว่ามันไม่เที่ยงมันยางแปรปรวนแตกดับไม่ได้คิดแล้วพอได้สิ่งที่ตนต้องการประสงค์มาแล้วก็ดีอกดีใจอยู่นี่ท่านเรียกว่าอุปาทานน ะ, ะปันจุปารทานะขั้นธาตุค่าความเข้าไปยึดถือขันธ์ห้า่าเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์รวบยอดอย่างนี้เนี่ย เพราะนั้นเมื่อละตัณหาความอยากลงไปแล้วอย่างนี้อยากให้อายุยั่งยืนยาวนานไปก็ไม่อยากอยากให้ตายเร็วก็ไม่อยากฮอยากไม่ไม่อยากให้แก่ก็ไม่อยากอืมไม่อยากให้ตายง่ายก็ไม่อยากอย่างนี้นะไม่ว่า วางจิตให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางกลางอยู่อย่างนั้นแหละแม่มีชีวิตมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ให้จิตเป็นกลางกลางอยู่ต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นอา้าเราทําไปไม่ได้เนี่ยถ้าปฏิเสธอยู่ยนั่นมันก็พ้นทุกข์ไปได้สักทีแหลนะถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วนะ แม้ว่าตนยังจะทําให้บรรลุถึงอย่างว่านั้นไม่ยังไม่ได้แต่ว่าแนวทางดําเนินไปนั้นเราต้องพยายามดําเนินไปตามนั้นได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็เอาการวางอุเบกขาลงไปนั่นนะไม่ใช่ว่าจะไปให้วางอุเบกขาลงไปเรื่อยตลอดไปได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเมื่ออินทรียังไม่แก่กล้าโดยรอบแล้ว อ่าจิตยังหลุดพ้นโดยเด็กขาดไม่ได้แล้วมันจะไปวางอุเบกขายอย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องมีเอียงไปบ้างแหละแต่ว่าจุดมุ่งหมายหากอยู่ตรงนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเพ้อไปแล้วเอาพยายามภาวนาพี่นาเข้าไปแก้ไขตัวเองเข้าไปให้จิตมันลงอุเบกขาตามเดิมอีกอย่างนี้นะอันเนีย เมื่อมันลงอเวคาได้ก็พยายามรักษาจิตที่เป็นอเวขานั้นไวอ้อย่าให้มันเสื่อมอันนี้ต้องให้เข้าใจอุบายฝึ ก, กจิตใจของตัวเองอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้เนะี่ยมันกระจนมุมอ่ะโอ้ยเรานั่นไม่ได้เราทำไม่ได้วางจิตให้เป็นอเบคาเรื่อยๆไปทำไม่ได้เพราะว่า ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดไปอก็อย่างที่พูดมาแล้วว่ะการที่จิดมันจะหลุดพ้นโดยเด็ดขาดมันขึ้นอยู่กับบารมีเมื่อบุญกุศลอย่างไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วมันจะปลดพ้นเด็ดขาดไม่ได้เลยเราความเพนเพียนไปอย่างนี้นะก็เป็นอันว่าอบลมอินชีให้แก่กล้าไปในตัวนะให้เข้าใจนะอ่ะอ อันที่เรามีอบายวปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าทุกข์สอนจิตให้ละปัญหาความอยากต่างๆ น, น, นานาโมนี่แล้วเราก็ละมันได้เป็นขั้นๆไปโมนี่มันก็ล้วนจะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความเพียรอย่างว่านี่นะมึงอินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้าได้อ่าจิตอยู่ในระดับไหนมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ก้าวขึ้นไปได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น อ, อย่างนี้ในพากันเข้าใจเมื่อเราจับต้นทางได้แล้วนะดำเนินถูกทางแล้วเ้ยมันแสนสบายการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่นะถ้าผูใ้ใดจับต้นทางไม่ถูกแล้วยากจริงๆอ่ะดำเนินไปยากแล้วไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ความอุ่นใจเลย ทำไปก็ลังเลไปเอ๊ะใช่หรือไม่นอใช่ทางคนทุกข์หรือไม่น้อทำไมจิตใจยึงไม่เป็นปกติเดี๋ยวก็พลิกไปทางโน้นเดี๋ยวก็พลิกมาทางนี้นี่เดี๋ยวมันก็คลางแคงอยู่อย่างนั้นน ะ, ะเช่นนั้นแล้วมันก็ทำให้อินทรีย์แก่กล้าไม่ได้แล้วมันเป็นงั้น อินทรีย์จะแก่กล้าได้กับอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละต้องอดต้องทนนะเอาก็รู้แล้วว่ากิเลสมันมีอยู่จะไม่ให้มันเผลอจะจะไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยมันต้องมีก็เมื่อรู้ตัวว่าในขณะนี้กิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เพ่งกันเพ่งละกันอดทนอดกัน้นต่อเวทนา ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากฤทธิ์เดชของกิเลสนั่นนะกิเลสนี่ยมันมีฤทธิ์มีอำนาจบอนกันนะทุกคนย่อมรู้แหละเมื่อมันเกิดขึ้นเช่นนี้นะมันย่อมให้เกิดทุกขาวทนาขึ้นทางจิตใจอนะ่ะเช่นราคะอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ร้อนนะจิตนะ่ความรู้สึกนะ่ะร้อนผ่าวผาไปเลยนะโทสะก็เหมือนกันนะ เมื่อมันเกิดขึ้นอย่างแรงๆเข้าไปก็ร้อนใจเผาใจให้เราร้อนเนี่ยนี่แต่จึงว่าการมาพุทธปาธรรมเนะเพี้ยนเพ่งอารมณ์เหล่านี้นะถ้าจนเผลอสร้างกิเลส ข, ขึ้นมาเพียนเพ่งเข้าไปมันเกิดเวทนาอยู่ตรงไหนเพ่งอยู่ตรงนั้นไม่ย่อท้อเพ่งละมันนะอ่า เมื่อเพ่งกาไปเนี่ยอานาจแห่งความเพียรอํานาจแห่งตปะธรรมเนี่ยเผากิเลสอันนั้นให้ร้อนอยู่ไม่ได้มันก็ระ ง, งับไป น, นั้นเองเนี่ยเมื่อกิเลสอันนั้นมันระงับไประเวทนาทุกขเวทนาทางจิตใจมันก็ระ ง, งับไปดับไปมันเป็นอย่างนั้นพระบริจ้าคยังว่าขันปีตะโปตปะสิโน ความอดทนอดกั้นเป็นตปะทมเครื่องแผดเผากิเลสให้เราร้อนหมดไปสิ้นไปนี่นี่เป็นมงคลอ่ะฮให้พากันเข้าใจดังนั้นพากันสร้างความอดทนนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจให้ได้ถ้าหากว่าขาดขันธิธรรมนี่แล้วนี่ จะบำเพ็ญคุณธรร ม, มอื่นๆให้เกิดขึ้นก็ยากเต็มทีเลยอ่ะยากเลยเพราะว่าไม่อดกั้นทนทานต่ออํานาจของกิเลสนี่นะพอให้กิเลสเกิดขึ้นแล้ววันนี้เราจะไปทําความเพียรละมันอย่างนี้เมื่อไม่อดไม่ทนแล้วกิเลสมันก็ปั่นจิตให้เลื่อนลอยไปกันละไม่ได้เลยจะไปทําใจสงบลงไปก็สงบไม่ได้ เพราะว่าใจไม่มีกําลังความอดไม่เพียงพอกิเลสมันก็โดนจิตตนใจให้พุ่งไปเรื่อยๆไปนี่นะขอให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วจึงว่าการที่เราจะพ้นจากทุกข์ใครในสงสารอันนี้ได้ก็เพราะบำเพำ็ญตปธรรม ความความเพียรติดต่อกันไปอดกั้นทนทานต่อหน้าของกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นในใจให้ได้แล้วก็อนุภาพเป็นความอดนี้มาตัดทอนกำลังของกิเลสให้น้อยให้บาบางลงไปโดยลำดับลำดับจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้